จังหวัดอุดรธานีมาร่วมดําเนินในการเรากราบนมัสการท่านพร้อมๆกันนะครับกราบนมัสการครับเจริ์พรอัตมาก็พระไภบูรณ์อภิปุณโงก็เราจะจัดรายการเปิดทำที่ถูกปิดภาคออนไลน์นนทุกๆวันพฤหัสก็จะมีการอัปเดตให้ผู้ที่เข้ามาชมเว็บไซต์เนี่ยได้ดาวน์โหลดไปฟังได้ที่หมอเ น, น, นตงพง์พูดแง่แหละว่ารายกา ร, รเราก็จะเอา หลักของพุทธวจนะเนี่ยมาในการประดิบมาในการก็เรียกว่าแอพพลายมาในการที่ใช้มาในการใช้งานในรูปแบบของการใช้งานที่ว่าในเรื่องต่างๆเราจะเอาธรรมะอะไรเข้าไปจับได้ไงโดยใช้หลักพุทธวจนะอย่างนคีครับซึ่งวันนี้ก็มีสองสเรื่องที่จะคุยกับท่านผู้ฟังให้ให้ได้ฟังด้วยก็คิดว่าเป็นเรื่องที่สําคัญ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 เริ่มอาริยมรตมีองค์8ก่อนหรือจะเอาปัญหาที่ท่านค้างคาก่อนก็ว่าอย่างนี้เรื่องของมรตมีองค์แเนี่ยเอาเราเราเอาเรื่องที่คุณจะต้องทราบก่อนเกี่ยวกับมรตยกตัวอย่างเช่นถนนเส้นหนึ่งเนี่ยท่านผู้ฟังหรือคุณหมอรังศ์เคยขับรถถูกไหมเราเคยขับรถไปตามถนนหนทางเนี่ยเราจะพบว่าถนนเนี่ยมันไม่ใช่เอาคอนกรีตมาปูปูเฉยเฉยมันจะต้องมีองค์ประกอบของถนนป้าย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 นะซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบอยู่8อย่างใช่ครับนะจะพาไปสู่ทางที่มีความสุขความสงบได้ก็คือมักมีองค์8ปดแล้วนี่ก็คือยกตัวอย่างลักษณะนี้ครับอืมจริงๆก็คือโดยความหมายก็คือเส้นทางเนี่ยเป็นเส้นทางเดียวใช่มีวิธีเข้าถึงเส้นทางนี้8เส้นทางใช่ไหมครับเอ่อมีวิธีเข้าถึงได้มากกว่า8เส้นทางมีเข้ามาได้โดยรอบพระเจ้า บ, บ, บอกว่าทางเข้าถึงวิมุติเนี่ยมีได้โดยรอบนะแต่ว่าทางทุกทางที่มานั่น่ะ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 อืมครับเอาในงองูในงองูงองไปไหนไปอยู่ป่าเหมือนกันแต่อยู่เรือนว่างในปา่าแล้วทำอะไรไปเห็นอ่าเห็นกายความน่าเกลียดไม่สวยงามของกายที่เขาเรียกวอาอัศภาใช่ครั บ, รบแต่ละคนแต่ละคนในกรในคอในงอเนี่ยนะในกรในขอในงอเนี่ยก็ไปทำคนละที่เห็นไหมว่าเขาปฏิบัติไม่เหมือนกันด้วยแต่ทางที่เขาปฏิบัติเนี่ย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 ความที่คุณจเจริญเมตตาเนี่ยมีเป็นมรรคแปดนะเป็นมรรคที่มีองค์ประกอบแปอย่างครับใน ง, งองูคุณเห็นกายเป็นของน้าเกล็ดใช่ไหมนั่นแหละมีองค์ประกอบแปดอย่างครบอยู่ในนั้นครับในกคุณจเจริญเห็นการเกิดดับใช่ไหมคุณก็มีมรรคมีองค์แปด อ, อยู่ในนั้นครับครั บ, ร บ, รบซึ่งประเด็นนี้จริงๆแล้วในในในบ้านเราหรือว่าผู้ปฏิบัติก็ยังไม่ได้เจาะลึกว่าในการปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยจะเข้ากับมรรค องไหนบ้างนะครับถ้าอย่างนี้เราเรามาเริ่มเจาะประเด็นในเรื่องของมัคแต่ละองค์งเลยดีไหมครับอทีนี้ก่อนก่อนที่จะเข้าไปถึงประเด็นของมัคแต่ละองคเนี่ยเราจะยกตัวอย่างของในกรในขอกับในง อ, น, งอนี่ก่อนนะครับว่าในกรในขอในงอปฏิบัติไม่เหมือนกันนะแต่ทำไมมีมัคแปดเหมือนกันได้ยังไงอมีองประกอบแปดอย่างเหมือนกันได้ยังไงจะพูดให้คร่าวๆตรงนี้ฟังนิดนึงซะก่อนครับได้ครับก็คือว่าในกรเนี่ย ในขอในขอแล้วก็ในงอเนี่ยนะเขาทําสิ่งเดียวกันคือความเห็นที่เขาเนีย่ยต้องเอามาใช้ในการที่เห็นเกิดดับก็ตามเจริญเมาตตาก็ตามเห็นความไม่งามในกายก็ตามตความเห็นของเขาที่เอามาทําตรงนี้เขาจะต้องมีความเห็นก่อนนะในการที่เขาจะมาปฏิบัติตรงนี้ได้ ค, ความเห็นที่เขามีตรงนั้นเนี่ยคือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบความเห็นที่ถูกต้องแล้วความเห็นถูกต้องหรือความเห็นชอบที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิ ซึ่งเป็นองค์แรกเลย<ช>องค์ที่สำคัญเลยใช่หมครับใช่ครับแล้วก็ประเด็นที่สองก็คือในระหว่างที่เขาในระหว่างที่นายกอกาลังเห็นการเกิดดับใช่ไมระหว่างที่นายขอกําลังมีจิตเต็มไปด้วยความเมตตาระหว่างที่นายงอนี่โเห็นความไม่งามในกายจิตของเขาเนี่ยในขณะนี้เนี่ยจะไม่มีความคิดเรื่องการจะไม่มีความคิดเรื่องพยาบาทแล้วก็จะไม่มีความคิดเรื่องความเบียด er. เบียน ถูกไหมจิตเนี่ยจะไม่มีความคิดเรื่องนี้ครับอา้าวยังงั้นก็เป็นสัมมาสังกปะสิครับก็คือเข้ากับองค์ธรรมข้อที่2คือสัมมาสังกัปปะหรืออีกอแบบเ ป, ป็นภาษาไทยว่าความดำริชอบความดําริชอบตรงนี้ครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยคนที่เขาเอาสตินํามาจดจ่อกับการที่เขาไม่ไปคิดเรื่องอื่นเลย มีแต่เมตตาฉันไม่คิดเรื่องอื่นเลยฉันเห็นแต่การเกิดดับฉันไม่คิดเรื่องอื่นเลยฉันเห็นแต่ความไม่สวยงามในกายตรงนี้คุณต้องมีสตินะคุณต้องมีสติมีสติตรงนี้แล้วเนี่ยมีสติแล้วเนี่ยตรงนี้คือสัมมาสติครับอ <conv> ืมครับสัมมาสติตรงเนี้ยแสดงว่าทั้งสามคนมีสัมมาสติครับพอมีสัมมาสติอย่างนี้แล้วก็คือหนึ่งละหนึ่งองค์ประกอบในกองมรแปดละครับความเพียรที่คุณแทนที่จะไปเดินห้า ไปเที่ยวตามที่ต่างๆไปเที่ยวต่างประเทศคุณมานั่งสมาธินะความเพียรตรงนี้เป็นการละอกคุสนทำคุสนให้เกิดความเพียรตรงนี้ก็เป็นสัมมาวายมะสัมมาวายามะก็คือความเพียรชอบความเพียรชอบครับรับสี่องค์ละสี่อย่างละสี่องค์ประกอบละก็มีอะไรอีกก็จะมีสัมมาวาจาสัมมาวาจาอสัมมากัมมันตสัมมากัมมันตสัมมาอาชีวะ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 ไม่อาชีพที่ไม่ผิดศีลว่ากันเถอะวาจาคุณก็ไม่ผิดศีลนะกายคุณก็ไม่ผิดศีลคุณคับถึงจะมามีความเห็นอย่างนี้ได้ใช่ครับก็แสดงว่าทั้งสมคนเนี่ยนายกรนาอขนางงเจริญมักมีองแปดได้ทั้งหมดเป็นทางไปสู่วิมุติเหมือนกันแต่มีทางปฏิบัติเข้ามาได้เดียวรอบตรงนี้ทําให้คนงงว่ามันเป็นทาง8ดสายหรือเป็นทางกี่สายกันแน่แต่เป็นทางโหมีนับไม่ท้วนเลย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 เป็นโกวิโทแลวเป็นยังไงอีกมัคทันยูมัคทันยูอ่มัคคโกวิโทอ่ามัคคโกวิโทมัคทันยูแล้วก็แต่พวกเราเป็นมัคมคคานุคาอใช่พูดเดนตามมคานครับผมซึ่งซึ่งอาจมาตรงนี้ยกเปรียบเทียบเหมือนกับคอมพิวเตอร์ครับคนที่ออกแบบคอมพิวเตอร์เนี่ยนะเขาจะต้องรู้ว่าแต่ละ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 ก็เป็นสมาธิฏิใช่ไหมครับนะี่คือความเห็นที่ถูกต้องครับคือเห็นตามที่เป็นจริงว่าอย่างนั้นเถอะครับที่นี <c> ้ข <oughs> อโทษครับในอีกประเด็นหนึ่งเคยได้ยินมาว่าสมาธิฏฐิเนี่ยจะประกอบด้วยหนึ่งคือโยนิโสมนสิการอสองกัละยาณมิตรอันนี้คือประเด็นที่พระอาจารย์ช่วยแจกแจงครับกัละยาณมิตรนะคือ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 อโยนิโซมานสิการอืมครับอโยนิโซมนสิการจะทําให้เกิดอะไรสิ่งตรงข้ามกับสมาธิติมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิครับนะพอเราฟังคนอื่นเข้ามาโอ้เขาว่าอย่างนี้อย่างนี้เราไม่ทําใจในใจโดยแยบกายไม่พิจารณาโดยรอ บ, อบครอบเกิดมิจฉาทิฏฐิขึ้นมาทันทีครั บ, รบอันนี้ก็ต้องระวังครับพอมิจฉาทิฏฐิตามมาแล้วเนี่ยโอ้โหสิ่งที่เป็นมิจฉาทั้งพรว่วนตามมาหมดมาหมดเลยมิจฉาวาจามิจฉาสมาธิอะไรครับเราก็จะไม่มีทางทําให้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 เลส่วนหนึ่งก็คือโดยความมุ่งหวังก็อยากต้องการที่จะอืช่วยช่วยกันเจริญในส่วนของศิลธรรมผ่านทางรายการต่างๆสื่อต่างๆนะครับใช่เพราะฉะนั้นรายการนี้เปิดทําที่ถูกปิดภาคออนไลน์เนี่ยเราก็มีความประสงค์ที่จะให้อย่างน้อยรายการของเราเป็นรายการที่ทวนกระแสของของของโลกพูดใหม่กระสทว น, น, น, นกระแสที่จะพาไหลไปตามตันหา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 จะทําให้มิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นได้ครับทีนี้ก็เลยในประเด็นของสัมมาทิฏฐิหรื อ, อความเห็นชอบ ก, ชก็จะผ่านไปนะครับมุ่งสูต่ตัวที่2ก็คือสัมมาสังกัปปะนะครับคือตัวบทพยัญชนะที่ตถาทกล่าวไว้สัมมาสังกัปปะก็คือการความดําริชอบใช่ไหมครับดําริในอะไรครับท่านความดําริคือความความคิด ความดําริคือความคิดบทเพลงชนะเนี่ยมันกำกวมไงเนื่องจากว่าคําว่าความคิดในภาษาไทยที่ใช้เนี่ยมันกินความกว้างมาใช่ครับความนึกเป็นความคิดมันก็เป็นความคิดความระลึกถึงเป็นความคิดมันก็เป็นความคิดเพราะฉะนั้นเราจะใช้คําว่าภาษาบาลีพรพุทธเจ้าใช้คำว่าสังกัปปะถ้าแปลเป็นไทยก็คือความดําริคําดําริอย่างโครงการตามพระราชดําริอย่างเงี้ยคำดำริตรงเนี้ยนีคือความคิดในฝั่งดี ถูกต้อสามาสังกปะหรืคอความดําริชอบครับแต่เพราะฉะนั้นดําดบลิเนี่ยถ้าจะแปลแว่าความคิดทั้งหมดมันก็จะไม่ใช่นะก็ดํารินั่นแหละดําริก็คือดรมเบลิดําริก็คือสังกปะครั บ, รบซึ่งซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้คนที่มีความดําริเนี่ย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 แต่ว่า <You. S 2> มันมันอยู่ตรงกลางแต่ว่าค่อนเหมือนเหมือนเป็นความดีเพราะเราเราไม่ได้ทำสิ่งไม่ดีก็คือดีสมมติจากที่ท่านกล่าวก็คือแบ่งสองข้างการที่เราละเว้นละเว้นความไม่ดีก็คือความดีถูกต้องครับเพรา ะ, ะนั้นอุเบกขานี่ก็จะเป็นเรื่องของเว้นขาดจากการมครับไม่เกี่ยวข้องดการครับทีนี้อุเบกขาเนี่ยมันก็เกี่ยวเนื่องด้วยอามิ t ก็มีนะ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 อาศัยอามิตอิงอามิตครั บ, รบเพราะว่าอิงอะไรใช้หูลอ่อเอาหูมาลอ่อเอาเสียงมาลอ่อทําให้จิตเราสงบครับซึ่งเทคนิคเทคนิคนี้ใช้ได้ไหมก็ได้เป็นเบื้องต้นได้เหมือนกันทีนี้คุณอาศัยอุเบกขาเนี่ยเพื่อก้าวลงสู่นิพพานได้จะอิงอามิตไม่อิงอามิตก็ได้ไม่เป็นไรนะแต่สิ่งที่เป็นอามิตเนี่ยพระพุทธเจ้าเพียงแต่บอกว่าอย่าทํามากให้กลัวสิ่งที่ไม่เป็นอามิตเนี่ยควรทํา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 รวมถึงความสุข3มอย่างความทุกข์สมอย่างปีติ3อย่างสุข3อย่างก็คือที่เป็นนิรามิตที่เป็นอามิตรที่เป็นนิรามิตยิ่งกว่าเป็นนิรามิตสาอย่างตรงนี้ครับอันนี้ประเด็นนี้คือสืบเนื่องมาจากที่หมาลสอตพงศ์ปาสามเรื่องเปิดขาในเรื่องของสมาสังกปะครับผมใช่ครับลึกไปเลยต่อยอดไปไม่เป็นไรก็คงมีโอกาสได้แจกแจงกันไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมก็ตามติดตามท่านผู้ฟังนะครับเพราะว่าเราเผยแพร่ทาง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 เนะีพร ว, ว่าบทพเพญชนะของพระเจ้านี่อาจจะแบง่งชัดมากมมสคัญมากอ่าถ้าไม่ได้แบ่งชัดก็อาจจะก็รเราก็อาจจะไม่ต้องลงรายละเอียดตรงนั้นก็จะต้องไปค้นคว้าเพิ่มเติมหรือว่าท่านผู้ฟังที่ฟังรายการทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีความรู้ในเรื่องของการค้นคว้าหาในพระราชปิด ก, ก็ส่งข้อมูลมาได้ครในในเผียวธรรมะดอทคอมวิธีการสืบค้นต่างต่างๆก็เครื่องไม้เครื่องมือที่ทางเหล่าคณะสงฆ์วัดนาปะพงได้